พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าดวงตาอนุ ญ, ญาตให้คนอื่นคนอื่นไม่อนุ ญ, ญาตให้ลวงตาวันนี้เป็นวันที่19 มิถุนายนพุทธศักราช2560แต่วันนี้พวกเราพอฉันจังหันเสร็จี่มีการประชุมมูลนิธิวิริยณสีละวันเกี่ยวกับทุนนิธิสำหรับพิมพ์หนังสือธรรมะ MP3 ที่ท่านองค์มนตรีดรชาวเป็นพูดตั้ง ตั้งมูลนิธิมูลนิธิวิริยะนามสกุลของท่านคือคุณพ่อของคือคนบิดาของท่านวิริยะณศีรน ะ, ะวันกั น, นามสกุลนะจะได้ไประชุมกันในวันนี้เพราะเป็นมูลนิธิเราะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกเข้ามาร่วมประชุมกันอย่างที่ทุกปีที่ผ่านมา แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมที่โรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์อุดรเกี่ยวขมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายสัตุสกโกดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์กนะ็ขอให้พวกเราผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผู้รับทราบร่วมกันนัดประชุมกันเหมือนกับเคย ประชุมหาหรือกันทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็วันที่สิบหกที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่ได้ฉันในวัดสามวันนะลูกหลานนะออกตั้งแต่ชาวมืดวันที่สิบหกไปมอบอาคารเรียนกับให้กับโรงเรียนนั่นนะบ้านผัาไผยของบ้านอะไรเนะี่ยเป็นโรงเรียนชุมชนสองสามหมู่บ้านนะ เขาเลยไม่ใส่ชื่อมันชื่อยาวเกินไปฮะเขาก็เลยบอกว่าตำบลออำเภอท่าบอ่อนะอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายเขาเขาสร้างอาคารใหญ่นะอยาวเท่าๆกับโรงเรียนนาคําน้อยของเราที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยนะแต่สมัยนะั้นสร้างประมาณห้าล้านแต่เขาในะสร้างเจ็ดล้านใะราคา สองชั้นก็มีผู้วาราชการจังหวัดอุณหงคายและก็หวัวหน้าสวนราชการมาร่วมเยอะแยะพระทั้งหมด30มสิบกวองค์เจ้าวาดยสิบสอเจ้าอาวาสหลวงพ่อเป็นนั่งหวัวหน้าอาจารย์เล็กกับญาติโยมของท่านเป็นผู้สร้างพอไปเห็นเออเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ดใดให้ลูกหลานได้เรียนได้ศึกษา ผู้ที่มีน้ำใจอย่างนิหารดายากพอได้เงินมาแล้วก็ทาอย่างอื่นที่จะมาคิดสร้างสารรพ์พัฒนาให้กับชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองผู้มีน้ำใจอย่างนิหารดายากน่าบูชาน้ำใจหลวงพ่อก็ว่างกันนะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไปพักที่วัดท่านจารย์รัตนะที่วัดรวมธรรมวันที่สหเย็นวันที่วันที่กเย็นวันที่สบ เจ็ดเช้าหลวงพ่อก็ไปฉันที่วัดป่าบ้านตาสนรัญญาสนสัญญาสร้างเจดีหลวงตาเนะนี่ยแหละอันนี้เดยหลวงพ่อจะมาเยาย้ำย้ำให้ฟังอีกทีนึงแต่พอวันที่17เจ็เซ็นแล้วหลวงพ่อกลับมาวัดพักที่วัดเมื่อวานวันที่18นะหลวงพ่อไปที่บ้านเพิ่มไปฉันอาหารที่บ้านเพิ่มพบเป็นวันเกิด ของหลวงพ่อคําสดเที่ยวนี่แหละท่านเป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเคยอยู่ด้วยกันเป็นสหายธรรมก็ว่าได้เพราะว่าท่านมีอายุพรรษาไล่เลี่ย ก, กันกับหลวงพ่อนะ่ยท่านเจ็ดสิบแล้วนะปีนี้หลวงพ่อเจ็ดสิบสามหลวงพ่อคําสดนี่เจ็ดสิบปีนี่เต็มพรรษาก็สี่สิบกว่าเกือบจะห้าสิบแล้วมนะั้งพรรษาของท่าน 40กว่าหลวงพ่อ52หนะ้สศรัทธาญาติโยมบรรษาพระนะและไปฉันที่วัดทันเมื่อวานนะีก็ไปพบกับท่านผู้การบุญสืบท่านก็ประเดิมฮะประเดิมสร้างเจดีย์ของหลวงตาที่ท่านได้ไม่ได้ถวายในะวันนั้นท่านมอบให้หลวงพ่อเออมาหนึ่งแสนเมื่อวานนะแล้วก็ปัจจัยสมทบเครื่องมือแพทย์อีก 1นแสนเมื่อวานหลวงพ่อไปกออกจากวัดจับลืองามยามดีไปได้เงินสองแสนเมื่อวาน ล, ลูกหลานแต่ไม่ใช่เงินหลวงพ่อนะเป็นเงินเจดีย์ลงตาแล้วก็เป็นเงินเป็นปัจจัยของเครื่องมือแพทย์นะจะเป็นอะไรก็เถอะนะถ้าูุริมาบริจาคมาเป็นสาธารณประโยชน์หลวงพ่อ ยินดีทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอามาให้หลวงพ่ออินหลวงพ่อจึงยินดีปีดากระโดดโลดเต้นมาใชา้ธรรมธรรมมาให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแล้วก็หลวงพ่อยินดีเท่าเทียมกันอนุมโมทนาในจิตใจของผู้ที่ถวายนะท่ใน้หลวงพ่อมาย้ำเกี่ยวกับเจดีขององค์หลวงตาเท่นีอ อยากจัดถายญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะทราบนะทำอะไรบ้างหลวงพ่อวางศีลละเลิกในวันนั้นแนตะ่ตอนเช้าก็บินทบาทฉั้นเช้าแต่ตามไม่จริงก็น่าจะมาฉันข้างนอกนะตามความเห็นของหลวงพ่อแต่ใ น, นก็สุดแท้แต่ทางฝ่ายวัดของท่านจะจัดไปฉันข้างในท่านก็คงขาดไปถึงไม่ถึงเหมือนกันนะว่าบัคนจะมากนะใครจะมาคงจะไหวอย่างนั้นแหละนะ แต่ที่ไหนได้โอโหมูมืดฟ้ามัวดินตาไม่ริงคนมากนะแต่โดยมากมองๆดูแล้วจะเป็นพวกชาวอุดรจะมากกว่าพี่น้องชาวอุดรที่เป็นลูกศิษย์ญาณุศิตย์ขององค์หลวงตานะเป็นคล้ายๆว่าคนในเมืองในกรุงไม่มากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาคนในเมืองในกรุงเนี่ยประมาณสักไม่น่าจะถึงยีสเปอร์เซนที่หลวงพ่อมองได้สายตานะ แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถามหรอกไม่ได้จดลายชื่อไม่ได้บอกอีกถามอีกต่างหากักแต่มองด้วยสายตาก็คิดว่าไม่น่าจะผิดนะจากนั้นก็ไปฉันที่ข้างในพอฉันข้างในเสร็จฉันข้างในศาลาข้างในนะไม่ใช่ศาลาใหญนะ่พอเสร็จแล้วก็อ้อประกาศออกมาข้างนอกมารวมกันจากนั้นพวกเราก็มารวมกันเสร็จแล้วก็ เขาจะต้องเซ็นสัญญานะก่อนที่มูลท่านหลวงพ่อจุดใจพระในวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเชอรี่นะหลวงพ่อเชอรี่เป็นพระฝรังที่มีอายุพรรษาแก่กว่าท่านสุดใจนะแต่อายุก็มากกว่าอีกหลวงพ่อจุดใจนะี่ยปีนี้ก็ 44, สีพรรษาพรรษาท่านนะอายุอายุแก่กว่าหลวงพ่อนะท่านแก่กว่าหลวงพ่อปีหนึ่งท่าน73แล้วนะหลวงพ่อยัง เจปีจะเต็มแลยหลวงพ่อ73ากำลังย่างนะเนี่ยแลก็มีพระผู้ใหญ่หลายองค์เข้ามานั่งเป็นสกีพยานในห้องนั้นก็มีเจ้าของคุณงเงี่ยมชื่อว่างเงี่ยมเจ้าของเป็นพี่ชายใหญ่ของบริษัทสบุญมีฤทธิ์จำกัดแล้วก็มีลูกน้องบริวารแล้วก็มีบริษัท จะตนเห็นผู้ผู้ควบคุมในการก่อสร้างเขาไปนั่งด้วยแล้วก็ทางหลวงพ่อสุดใจแล้วก็ทางวยาวัจกรของวัดนั่งแล้วก็มอบให้คุณชัยเป็นผู้เซ็นสัญญาเป็นเป็นตัวแทนของวัดป่าบันตากเป็นตัวแทนของหลวงพ่อสุดใจนะเป็นผู้ พูดลงนามเซ็นสัญญาจากนั้นก็ เ, เป็นอะไรเป็นกรรมการเป็นพยานเป็นพยานมีรองมึกตุกษิตวัดป่าบัานดาษขนบันตาษรองมึกกับอรองผู้วาราชการจังหวัดอดีตรองผู้วาราชการจังหวัดท่าน อะไรส ม, มเกียรติก่อเกียรติทั้งก่อเกียรติการชนะนะอันนี้เป็นผู้เป็นพยานทนาะงฝ่ายเราแล้วก็ท่านปรัชญ์นิคมที่มาอยู่ที่นี่นะท่านสามท่านนะเป็นเป็นพยานในการเซ็นสัญญาเนะมืเ่อจบเจ็บร้อยแล้วก็เขาก็ให้หลวงพ่อกล่าว ไอ้ข่ากล่าวจะดําเนินการยังไงหลวงพ่อคนเนี้ยนะการ์ดกาวแนวปฏิปทาของหลวงตาผมหลวงพ่อขอขอบบุญคุณทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาสรุปแล้วก็คือขอให้เทน้ําใจลงรวมกันไม่ว่าผู้รับเหมาไม่ว่าผู้ว่าจ้างอย่าไปถือว่าเป็นฝักฝ่ายให้ถือว่าเป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาโดยพร้อมเพียงกัน หลวงพ่อก็ได้ถามว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเคยได้ไปฟังธรรมเทศนาหลวงตาไหมที่สวนจังหวราะว่าได้เคยได้ไปเอถ้าเคยได้ไปคือนะ่ะแสดงว่าเรารักกรบในองค์หลวงตาร่วมกันก็ขอให้พวกเราทําด้วยจิตด้วยใจทานได้กําไรมากแล้วก็อาจจะขอเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมถ้ามันขาดทนุนเราก็ให้บอกนะเพราะว่า หลวงตาเนี่ยท่านมีน้ำใจยอยู่แล้วพวกศิษย์เดายวนุศิษย์ก็จะต้องเดินตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงตาไม่ใช่ว่าเขาขาดทุนแล้วพวกเราจะมานั่งวเลาะเฮ่เฮ่เฮฮสมน้ำหน้ามันขาดทุนมันไม่ใช่นิสัยของหลวงตาหลวงตาเนี่ยถ้าว่าขาดทุนต้องพยุงต้องเขาไปช่วยนะเนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ น, นี้ก็เหมือนกา ร, การสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑของหลวงตาเนี่ยก็ลักษณะอย่างนั้นละ เมื่อวานไอ้วันที่17ตอนเช้านะเป็นวลาเก้านาฬิกากว่า17มิถุนายนพุทธศักราช2560าเป็นวันเซ็นสัญญากับบริษัทสอบุญมีฤทธิ์แล้วก็ บ, บริษัทจตนเฮนเป็นผู้ควบคุมดูแลงานเป็นบริษัทที่เราจ้างมาเพื่อให้ดูแลงานสร้างรัจจี ควบคุมงานตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานยนะี่สิามสิบกว่าเดือนเลยตั้งสิบกล้านพนนะค่าควบคุมงานแต่วันนั้นเซ็นสัญญาเนะี่ยก็เซ็นสัญญาสร้างเจดีลงตาจเจดีและเออพิพิพเลสาลาลายแต่ตามจริงลุงตาในวัดเราบอกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเรียก่าษาลาลายนะนะ น่าจะเรียกพระวิหารมากกว่านเพราะศาลาลายเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นเป็นเป็นที่เดินชมหรือเป็นเดินลิลอบเรียบนะเรียกว่าศาลาลายแต่นีนลักษณะเป็นวิหารเพราะในข้างในมีพระพุทธรูปมีหลวงปู่เสามีหลวงปู่มั่นมีหลวงตามหาบัวในในพระวิหารหลังนี้นะเมื่อเราไปกราบกราบครบ ครูบาอาจารย์จะจะเข้าไปกราบพระเจดียองค์หลวงตาแต่พิพิธภัณฑ์เนื้อหาสาระกอย่างคิดยังไม่ตกกันว่าจะจะทำยังไงเพราะนั้นเราจึงไม่ได้เซ็นสัญญาต้องคอยไปอีกก่อนเราต้องดูเนื้อหาสาระซะก่อนแล้วจึงมาคอยค่อยมาทำวิหารค่อยมาทำวิหารลองรับนะเหมือนกับเราเห็นขนซะก่อนเราจึงค่อยมาตัดเสือนะ้อหลักษณะอย่างนั้นละ ไม่ใช่ว่กปุบปับได้ยินว่าเสียงคนแล้วก็มาตัดเสื้อพอมันเรื่องราวมันมากเลยทาไงเอาเข้าใส่ปพิพิธภัณฑ์ก็นเหลือถ้าหากว่าเราทํใหญ่ไว้พอเนื้อหาสารในพิพิธภัณฑ์มันน้อยเลก็หลงเหล่งเหมือนกับคนใส่เสื้อเราได้ยินแต่ชื่อเข้ามาแล้วก็ตัดเสื้อใส่เล ย, ยนั้นกันล่ะถ่ายเสื้อ พื้นใหญ่พื้นเล็กพวกก็คงจะรู้เพราเราใช้เสื้อทุกวันใช่นี่แหละอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑนะ์อย่างยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะนั้นขนาดเซ็นสัญญาสองอย่างเจดี AD และพระพิหารเท่านี้ก็จ่ายเงินไปแล้ว490สิล้านแต่พิพิธภัณฑ์จะเป็นเท่าไหรออ่นั่นแหละอันนั้นยังคอยมาว่ากันคิดกันที่หลังแต่เงินพอไหมข่าวนีมิ่พอนะ ทั้งวิยาวัจกรหรือว่าพยานที่ท่านก่อเกียรติที่พูดในวันนั้นว่าเงินของวัดเดี๋ยวนี้อยู่ในบัญชีสงบนิ่งไม่ได้นำมาใช้มีจะมาเอามาจ่ายเพื่อพระเจดียด์นี่เป็นเงินทั้งหมดห้าร้อยสาสิบเอ็ดล้านแต่จะเพียงพอกับพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงพอนะลูกหลานนะอันนั้นก็ต้องจะหาเพิ่มอีกแน่นอน แต่นี่ได้ขนาดนี้กัเอาขนาดนี้ก่อนนะนี่แหละ อ, อจากนั้นก็พาสงจากนั้นเขาก็ออกทําพิธีพามนะพอเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปทําพิธีพามเพราะว่าเขาเคยทํางานทุกครั้งเขาก็ต้องทําพิธีถ้าไม่ทําเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาจะระแวงแครงใจทีหลังเขาขว่าอย่างนั้นอนะ่ะเพราะเคยทําทุกครั้งเอา เ, เราก็เคยพูดมาก่อนว่า เราทำพิธีในวัดเนี่ยคืออ้าวตรงถ้าเป็นไปได้ก็นั่น่ะเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเรื่องภภูมิเจ้าที่ทรลวบบเทพเจ้าเหล่าเทวาชั้นสูงชั้นต่ำมาเกี่ยว ข, ข้องกับวัดเนี่ยโดยมากท่านจะเสวย พ, พวกปลมหมากลากไม้นะพวกสัตว์สารและสิงหัวหมูหัวไก่อะไรก็ถทางโน้ได้กว่าดีพอกระว่างนนะอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ออกไปดูก็จบไปละล่ะ จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เทเสาเอกเสาทางขึ้นพระเวพระจดียพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งมวลก็สวดอิติปิโสพร้อมกันนะวันนั้นกับศรัทธา ญ, ญาติโยมดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนะอิติปิโสพระกวารัางซ้ำมาสามจบนะอันนี้คืองานพระเจดีขององค์หลวงตาสำเร็จรู้่วงไปด้วยดีเมื่อวันที่17เจ จากนั้นหลวงพ่อเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้นํำพุ่มดอกไม้พวงมาลาก็าไปการาบคารวะตรงที่พระสถานเพลิงจารีละสังขารของหลวงตากับพวกคณะสัตธาญาติโยมหลายคนเหมือนกันนะเกือดจะเป็นร้อยมั้งจากนั้นก็ขอไปกราบศาลาใหญ่ที่มีรูปพระพุทธรูปหลวงปู่สาวหลวง ป, ปู่มั่นหลวง ตาสมเด็จพระสังฆราชที่สาลาใหญ่แล้วก็ไปาวางผ่านพุ่มที่นั่นอีกจากนั้นเราก็เดินเข้ามาวางผ่านพุ่มที่ ส, สาราที่ฉันจังหันของหลวงตาจากนั้นเราก็วางผ่านพุ่มกราบตัง้งจิตอธิษฐานทุกคนก็ยังจับกลุ่มกันเป็นเกือบเป็นร้อยอนกันนะเป็นร้อยคนจากนั้นก็ามากดติหลวงตา พอถึงตีลงตาเราก็เข้าไปในห้องที่ท่านจุตินิพพานนั่นนะเข้าไปกับรูปเหมือนท่านนั่งอยู่นั่นเราก็ได้กล่าวว่านโมพร้อมกันเลยแต่ที่สามาสามแห่งที่ผ่านมาเราไม่ได้กล่าวนะแต่มามากล่าวสุดท้ายเรามากราบแล้วก็กล่าวว่านโมแล้วก็มห้าเทเรปมาเทนะสามกลางจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานของใครของเรา ได้ประม า, าทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงตาโดยกายวาจาใจโปรดโหสิกรรมให้ลูกหลานไก่เก้า ก, กับผมด้วยหลักษณะอย่างนั้นของใครของเรานะจากนั้นก็กราบแล้วก็ออกมาหลวงพ่อกกลับมาวัด น, ะนี่แหละลงตาพวกลูกหลกานที่หลวงพ่อไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเราเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษานะแต่ได้พูดไว้แล้วก็เป็น ลูกหลานได้ยินได้ฟังต่อไปในอนาคตเอ๊ะสมัยนั้นท่านทํำยังไงในการสร้างเิดียพิพิธภัณฑ์หลวงตาเป็นวันแรก่ะเป็นยังไงอย่างนี้แหละแต่บ้างคนจิตจิตญนุสิทธิ์บางคนก็ความพอใจก็มีความไม่พอใจก็มีความเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีเป็นนิเป็นธรรมชาตินะลูกหลานเราจะไปฟังอย่างนั้นก็นไม่ได้อย่างหลวงพ่อเอ็นนี่แหออหลวงพระเอ็อเอนอบวชอยู่อย่างนี้ละ่ะ พวกอื่นพวกทนทั้งหลายเห็นด้วยไหมเห็นเหด้วยทุกคนไหมเขาคงจะ ย, ยกมือให้ไม่ครบเหมือนกันออนะใจทำยังไงล่ะเรากรียชื่อทางนี้ดีที่สุดแล้วนะการบวชในดีที่สุดในตัวของเราเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ไดเอารัดเอาเปียบใครเราไม่ไดหลังแกใครเราทำดีที่สุดในเมื่อเราคิดดีแล้วนะคนอื่นเห็นด้วยและมาเห็นด้วย อันนั้นมาเก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจะให้ทุกคนเห็นด้วยซะก่อนเราจึงค่อยปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบยังค่อยมาเข้าวัดวาศาสานาเนี่ยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกี่ร้อยกี่พันชาตินะเขาก็ยังไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ได้เข้าวัดเขา้าวาและไม่ได้ทําคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นด้วยนะอันนี้พวกเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าการทําลงไปนะมันเยียบย่ําทําลายไหมทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหม มันแนวเป็นเป็นปฏิปทาไหมหรือเป็นแนวทางของพุทธะไหมถ้าจะว่าเป็นแนวของพุทธะไหมเอันนี้นก็กว้างขวางอีกเหมือนกันแต่ลุงพ่อเองก็ได้อ่านตำรับรําราพระไตรปิฎกมามากต่อมากเหมือนกันนะใน ว, ว่าเรื่องอ่านนะแต่ลุงพ่อเองก็อยากจะถามผู้ใดก็ตามได้อ่านพระไตรปิฎกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปฏินิพพานนะเรีอกว่าก่อนหน้านั้นก็ดีพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียไว้แม้ว่าเมื่อเราตถาคต ปริญิาพานไปแล้วตายไปแล้วนะให้พวกเธอท่านทั้งหลายสร้างยี่ดีเจรใหญ่นะเพื่อใส่อธิธาต์เลือดใส่บริขารของเราตถาคตเพราะเร า, าตถาตถาคตเนียิ่งใหญ่พวกเธอท่านทั้งหลายเป็นบริษัทของเราให้พวกเธอทั้งหลายทํานะนะอานน์นะนนะได้ยินไหมในภายใจไปดลบล้มถ้าใครได้ยินจุดนี้นะ่ะขอบอกมาหาลงพ่อด้วย แต่หลวงพ่ออ่านแล้วไม่มีแต่พระพุทธเจ้าได้ปารถถึงไหมไเห็นไหมในพระไตรปิฎกมีในธรมรมปทัตกถาหลวงพ่อได้อ่านว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเด็ดไปเมืองพารานสีพร้อมกับพระสงฆ์มูใหญ่ในระหว่างทางไปเห็นเนินเนินหนึน่งเป็นเนินดินใหญ่เออพระองค์ก็หาที่ประทับในละแวกนั้นพอเห็นที่ประทับนแวกนั้น มีพราหมณ์คนหนึ่งเขาทำกสิกรรมก็คือเขาปลูกต้นไม้เขาปลูกทำอรทใกล้ทานาทำรั้วทาสวนของเขาแต่ชาวบ้านเทพบุพตรงเหตุว่าไปบอกพราหมณ์กสิกรรมตอนนั้นมาหาเราใช่ระสงค์ประสงค์ไปบอกโยมโยมพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่นั่นโยมไปหาไปกราบพระพุทธองค์ใช่ยามเข้าก็ามา พอมาเสร็จแล้วทั้งที่เขาจะกราบพระพุทธเจ้านะเขากราบไปที่เนินเนินดินนะกราบไปทางเดินหรืปลกปลกราบไปที่เนิ น, น, นดินเขาไม่กราบพระพุทธเจ้าเลยเพระสงฆ์ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์นั่งอยู่ต่อหน้าขนาดนี้จะไปกราบไปที่เนินดินพระพุทธองค์บอกว่านี่พระสงฆ์ทั้งหลายเนินดินตัวนี้นะ่ะเป็นสถูรูพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากษัสรปยในอดีตการ นานมาแล้วเขานับถือเลื่อมใสมาเขากาบเขาไหวมาพอกาบมาไหวแล้ตายรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเขาไปสู่สวรรค์ไม่รู้ว่ากี่รุ่นแต่มาถึงยุคพราหมณเขาก็ได้ยินประวัติว่านี่อันนี้คือเนินดินของผู้วิเศษองค์หนึ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตระกูลของเขาเขาก็นับถือเลื่อมใสกับผู้ต่อไปอีกตั้งแต่พระพุทธเจ้ากัจจปะมาถึงปู่ณ น, นี่แหละเขาก็ยังนับถือ เดี๋ยวลอยตถาคตจะจำแรงพระเจดีย์นั้นให้พวกเธอทั้งหลายได้เห็นจากนั้นพระองค์ก็จำแลงนิรมิตรขึ้นพระเจดีย์ขึ้นมาในท้องอากาศสูงใหญ่สูงตระหง่ า, งงานสวยงามอันนี้คือเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสจ ป, ปะในอนดีตการนี่แหะตรงนี้แหะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แหละภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้กราบแล้วกราบอีกท่านนี่พุทธบริษัททั้งหลายเห็นกันรอยอยู่ในท้อง ในอากาศถึงเจ็ดวันพอจากนั้นพระองค์ก็จะเด็ดไปกรุงพาราณสีอันนี้เราเห็นในพระไตรปิฎกในธรมรมปฏทัศกถาถ้าใครต้องการอ่านอ่านได้เลยในแปดเล่มนั้นอ่า น, น้เมีข้อหนึ่งอยู่ในนั้นอันนี้เราได้อ่านได้ศึกษาแต่ว่าคำว่าเมื่อเราสถาคตปรินิพานไปแล้วให้สร้างเจดีย์เราเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยเห็นแต่ทาไม เมื่อพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนนะ์นะพระองค์พระอา น, นุ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าในเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนะี่ยจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไงในพรัชรีรักสังขารของพระองค์ใคราว่าจะให้ผมจัดงานศพพระพุทธองค์อย่างไรหนอพระเจ้าข่าลัชนาญพูดบักแบบให้ฟังเข้าใจง่ายนะ เมื่อพระองค์ปรินิพานตายไปแล้วเนี่ยจะให้จัดงานศพของพระองค์อย่างไรหนอพระเจ้าค่ะพระอนุ์วิต ก, กงังวลเพราะว่าเมืองกุชินารายก็เพิ่งไปถึงวันนั้นเองยังไม่รู้จักใครอีกต่างหากโอ้เขาไปพักที่สวนเขาอีทตงหากสวนอุทยานพระองค์บอกว่าอยู่ดูก่อนอานอน์พวกเธอทั้งหลายไม่ต้องวิตกกงังวลเรื่องสลีละสังขารของเราเป็นหน้าที่ของมารกษัตร จะเป็นผู้จัดการเองพวกเธอทั้งหลายให้หมอให้เผากิเลสกำจัดกิเลสเผากิเลสในใจของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายส่วนชรีรสังขารของเราเป็นหน้าที่ของพวกกษัตริย์มัารกษัตริย์เขาจัดจัดการเองเธอไม่ต้องยุ่งพวกเธอท่านทั้งหลายไม่ต้องยุ่งอันนี้พวกได้เจ้าสั่งอันนี้เราได้ยินในพระไตรปิฎกนะจากนั้นพระองค์พระพุทธพระอานุน์ก็ถามว่า พอพระไตรจ้าวข้าจริงอยู่ที่พระองค์ไหว้ให้จะไม่ให้เกี่ยวข้องค้องแวะในเฉลี่ละสังขารแต่เมื่อพรเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วน่ะมันรักษาสัตย์เนี่ยเขาจะต้องถามพวกข้าพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์เนี่ยจัดการอย่างไรหนอต่อพระชฉลี่ละสังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกข้าพระองค์จะตอบเขาว่ายังไงหนอพระเจ้าข่านเออ ทายจากงานก็ให้พวกเธอทัานทั้งหลายบอกเขานะให้ปฏิบัติแบบเยี่ยงอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิในพระเจ้าจักรพรรดิไม่มี <c oughs> ไม่มียุคในยุคสมัยนี้มีแต่พระเจ้าแผ่นดินธรรมดานะแต่ไม่มีคําว่าจักรพรรดิเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ครอบครอบครองทั่วทุกหัวหัวแห่งของโลกนะ่ะอันนั้นคือพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโดยธรรมพระนนก็ถามว่า เขาปฏิบัติต่อสรีระสังขารของพระเจ้าจักรพรรดนั้นเขาปฏิบัติอย่างไงหนอพระเจ้าข่าเอออานน์เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตแล้วพวกเขาพระสงฆ์ในกรเขาจะต้องเอามาชำระเอาร่างกายของพระเจ้าจักรพรรดิมาชำระให้สะอาดจากนั้นก็ได้เอาชำเลีสลําฤีที่ชุบด้วยน้ํามันที่หูงแล้วร้อยครั้ง เอามาพันที่สลีสละสังขารของพระเจ้าจากักรพรรดิในเมื่อพันครั้งหนึ่งเอาผ้าขาวบางมาพันอีกรอบหนึ่งแล้วเอาสำรีมาใส่ชุบน้ํามันอีกมาพันอีกรอบหนึ่งแล้วเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึงห้ารอยครั้งห้าร้อยชั้นจากนั้นก็ยกไปวางในรางเหล็กจากนั้นก็ถวายพระเพลิง ในชลีละสังขารพระเจ้าจาั ก, กรพรรดินี่แหละพอพระอ น, นุลได้ยินเท่านั้นล่ะถอยหลังกูเร็วงั้นถอยหลังออกมาใคสลดสังเวชรับไม่ได้พระพุทธองค์ตัดอย่างนั้นเพราะ พ, พระอ น, นุลรักชอบในพระพองค์เหมือนแบบพระองค์ไปที่ไหนก็เหมือนกับเงาตามตัวในเมื่อพระองค์สั่งเสียอย่างนั้นแล้วพระอ น, นุลรับไม่ได้ถวายสัสกการะอลไรออกมากมาร้องไห้อยู่ที่ ทางขึ้นบันไดผางข้างขึ้นบันไดพระวิหารอทั้งอายุทั้งที่อายุแปดสิบปีเท่ากับอายุของพระพุทธเจ้าอพระองค์ร้องไห้สะอึกสะอื้นสัน่นสั่นเชิ้มไปทั้งองค์เนี่ยผ้าของด้วยผ้ากาสาวพัดผ้า อ, น, น, อานุนร้องไห้เจะาพระองค์ก็เงียบเห็นผ้าอนุนถอยออกไปนานพอสงวนพระองค์ อ, อนุนหายไปไหน พระสงฆ์ก็ไปร้องไห้อยู่ที่บันไดาทางขึ้นมาพระเจ้าข่าไปไปเรียกอานนท์มาไปพระสงฆ์ก็ไปนิมนต์พระอานนท์เข้าม า, าทำไมเธออานน์เธอเธอจึงเสียใจโอ้ข้าพระองค์ติดตามพระองค์เหมือนกับเงาตามองคอ์แต่ว่ามาถึงจุดนี้พระองค์ได้หายห่างหายจากไปข้าพระองค์จะพึ่งพาอาศัยใครข้าพระองค์เหมือนกับเด็ก กำลังติดตามพ่อแม่กำลังขัดเดินคือข้าพงศ์ได้สำเร็จพระสุดาบันเท่านั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พ่อข้าพงศ์มาคิดถึงจุดนี้ข้าพงศ์วิตกกังวลว่าข้าพงศ์เหมือนกับเด็กตัวนั้นจะเลื่อนลอยไปทางไหนพระวงบอกว่าดูก่อนอา non นนเธอปฏิบัติดีกับเราตถาคตดีที่สุดแล้วไม่มี ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเขาก็ปฏิบัติอย่างอา น, นุนแต่เอาเถอะนะจากนี้ไปอีกสามเดือนอานนุนจะได้สำเร็จเป็นพระาราหันจะได้บรรลุเป็นพระาราหันอีกจากนี้ไปสามเดือนอันนี้คือพระพุทธเจ้าพยากรณ์ท่านพระอานุนพระอานนโอ้ได้ยินคานี้ทา น, นก็ชื่นใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสคำไห น, นต้องเป็นคำนั้นหนึ่งไม่มีสองอันนี้แหละที่เรามาย้อนดูว่า หลวงตาได้สั่งให้พวกเราสร้างเจดีไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้านะ่ยท่านได้สั่งไหมลวงต า, มาไม่เจ้าไปที่ไหนก็ได้กระดูกของท่านแต่บรรดาเราเป็นลูกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราจะทำยังไงจะเชิดชูบูชาพรกคุลของหลวงตาแต่พระพุทธเจ้าพูดไหมว่าเมื่ อ, อ, อถูปะหาบุคคลพระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายถูประ ถูปาราบุคคลสีจ่จำพวกที่จควรจะสร้างสถูปและเจดีย์มีอยู่สีจ่จำพวกหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสองพระปฏิเจกพุทธเจ้าสาพระหรหัสสาวกสี่พระเจ้าจั ก, กรพรรดิปับสี่ปร ะ, ประเภทนี้แหละสีจ่จำพวกนี่แหละที่ว่าถูปรารหบุคคลที่สมควรจะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแ่แผงเพื่อให้คนสาธุชนทั้งหลายได้มากราบมาไหว้เมื่อเขากล่าบไหว้แล้วเขาจะไปสู่สวรรค์ พ่อเขาได้มากราบผู้พระผู้บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหลวงตาเคยบอกไหมต่อบอกหลวงตากับพวกว่าถูปารหาบุคคลสี่จำพวกหลวงตาก็พูดไม่ใช่กบเขียดตายที่ไหนก็จะมาสร้างสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างวิหา ร, ส ร, า ส, ร, าหารสร้างเจดีย์บรรจุไม่ใช่นะท่องถูปารหาบบุคคลนะ เท่าไม่สีแก้วจงขวสงงัสร้างเจดีย์หลวงปู่คาดีสร้างเจดีย์ท่านจริงทองควรสร้างเจดีย์นี่ยและหลวงปู่ผ่านหลวงตาเองเป็นประธานในการก่อสร้างนะมันผิดที่ตรงไหนที่เราสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็พูดอยู่แล้วนียเพราะนั้นถ้าใครก็าตามนะหลวงพ่อวานให้พูดอย่างสุดตรงไม่แยแสแล้วก็ดูถูกในการพังสร้างพระเจดีย์อีก หลวงพ่อก็ให้ระวังระวังปากก็แล้วกันเผอมะเร็งจะกินปากแล้วบาปกรรมจะตามสนองอีกหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อพูดให้ฟังอ้างเหตุผลให้ฟังถ้าว่าลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังนี่มีใครเห็นต่างบ้างบอกกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะได้เข้าใจให้มันถูกต้องกว่านี้นะอรับฟังนะรับพ่อนนะท่านี้นะ